คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรี FM แปดสิบเก้าจุดห้าไมเกรอร์ส Printing and Packaging ยังดีไซเนอร์จูเติลสิน nineteen สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารหมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอชวนน้องน้องนักเรียนมทัธยมศึกษาตอนปลายหรือประวชอเข้าร่วมการประกวดออกแบบหลายกราฟิกบนถุงผ้าลดโลกร้อนชิงเงินรางวัลรวมหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพร้อมใบประกาศนียบัตรไกด์ ก, การ์ง่าย สมัครเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกินสามคนใช้ไอเดียออกแบบให้เต็มที่ส่งผลงานเป็นแบบร่างขนาด A3 ถ่ายภาพผลงานพร้อมส่งใบสมัครได้ที่ facebook.com/digitalprinting_amutt ตั้งแต่บัดนี้ถึง2กรกฎาคม2562สอบถามเพิ่มเติม02 549 4531และที่087 518 1624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 มองหาโร่วงงามผลิตและสูญให้กรรมปรึกษาได้านสมุนไฟด้วยทีมงานมืออาชีพราคาย่องยาวปลอดไฟได้มาตระฐานการันตีคุณภาพเชิญที่วิทยายลัยการแพทย์แผ่นไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชชมงคลทันยิบุรีติดต่อสับถามหรือปรึกษาฟรีโท025921999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 ค่ะคุณผู้ฟังคะชวนกาชาตินิวส์นะคะวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเที่ยวงานเพื่อนพึ่งผาประจำปี2562ถ่ายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนสัมผัสบรรยากาศและร่วมจัดถุงยังชีพพระราชทานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งปันกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผายามยากสภากาชาติไทยค่ะพร้อมชมนวัตกรรมโฟดีบอกเล่าเรื่องราวการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงเลย はい。 และช็อคเพลินเกินห้ามใจกับหลากหลายร้านค้านะคะอาทิร้านพระบรมวงศานุวงศ์ร้านจากสถานทูตผลิตภัณฑ์ยั่งยืนจากชุมชนพาดไมได้กับเมนูเข้าวเหนียวไก่ทอดและน้ำพกประดิกปลาดุกปนผัดพริกขิงสูตรประทานร้านอาหารชื่อดังมากมายค่ะณสนามกีฬาสุภชลาศัยเขตประทุมวันระหว่างวันที่ห้าถึงสิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองตั้งแต่เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกาค่ะและในวันศุกร์และวัน วันเสาร์นะคะเปิดถึงเวลา22นาฬิกาค่ะและขอย้ำนะคะว่าสถานที่จัดงานที่สนามกีฬาสุพัชราสายหรือสนามกีฬาแห่งชาติพลาดไม่ได้นะคะ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยจัดโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมไวัย 0-6 ปีหรือ Child Care Training Program นะคะเป็นครั้งที่10ค่ะระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30สิงหาคม2562ณอาคารวชิราลงกรณ์มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยและศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติภายในบริเวณโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะ โดยจะจัดฝึกอปรมให้แก่พระชัดชนทั่วไปที่ต้องการประกอบอาชีพเลี้ยงดู illingen หรือบุคลากรของหน eze งานที่มีการเลี้ยงดูเด็กทมไวยเพื่อผลิตผู้ดูแลผู้เด็กที่มีความรู้ความสามารถตาม istry สากลและมีธร rights personnel ในการเลี้ยงดูเด็กอย่ากมีประสิทธีภาพอปรมจบหลักสูตรพร้อมรับประกัศ Hansenoyabat คะ สนใจนะคะสมัครได้จนถึงวันที่29มิทุนายนต์ 2,562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเล็กโทรศัพท์ 02-256-4211 หรือ 02-256-4209 ค่าลงทะเบียน 8,000 บาทต่อท่านค่ะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยขอเชิญผู้ที่มีความเสี่ยงเจ็ดกลุ่มดังต่อไปนี้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะได้แก่ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่หนึ่งร้อยกิโลก ร, รมัมผู้ที่มีโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี11เดือน29วันหรือว่าไม่ถึง3ปีบริบูรณ์นั่นเองหญิงมีคันที่อายุมากกว่า4เดือนขึ้นไปค่ะ ซึ่งการฉีดวัคซีนนี้นะคะครอบคลุมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่รวมสามสายพันธุ์นะคะก็คือชนิดเอเฮสต์วันเอ็นวันชนิดเอเฮสต์ทีเอ็นทูและชนิดบีโดยขอรับการฉีดวัคซนีนนะคะได้ที่อาคารพปรชั้นสิบหกเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะ สำหรับเด็กอายุ6เดือนถึง2ปี11เดือน29วันรับการฉีดวัคซีนในที่ชั้น9อาคารพรปรและหญิงมีคันรับการฉีดวัคซีนได้ที่ชั้น15อาคารพรปรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่4มิถุนายนไปจนกว่าวัคซีนจะหมดค่ะ เพียงแค่แสดงบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อขอรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะช่วงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงสนทนารอบรัวค่ะรายการ Rescord on Radio สนับสนุนรายการโดยสำนักษารณิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาต่าไทยและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญญาวรุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาท์เทคโนโลยีและนวัตกรรม キャオティンテバイテグライブンコンティマイミークライドントゥブジャイムンチウィップマンカーンキカムヤウンティダ やくぼくてヘディ。 บออกกตตตััวาควเเงง่เธอจะร่่ว่าาาไไไมมป็อให็นนนร้ำจะหลชแ I'm going to go ก o the h o u s ้ I'm ้ o i n g t า go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to งามากมาย 私たちはこの時期、私たちはこた 「てっせえんで」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 คุณผู้ฟังคะช่วงสนทนาวรับรู้ในวันนี้มอยีเรื่องราวของตู้คอนเทนเนอร์สารเคมีระเบิดบริเวณท่าเทียบเรือบริษัทไทยแหลมฉบังกับการเข้าช่วยเหลือของโรงพยาบาลสมเดช็จพระบรมราชเทวีนัทสีราชาสภากาชาติไทยซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่อันตรายต่อผู้ที่อยู่บริเวณนั้นนะคะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงอย่างมากมากเลยล่ะคะ่ะ เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่25พฤษภาพคมที่ผ่านมาค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนัดศรีราชาสภากาชาติไทยได้วยรับแจ้งว่ามีการระเบิดบริเวณท่าเทียบเรือบริษัทไทยแหลมชะบังเทอร์มินอลจำกัดที่เรือ KMTC ฮ่องกลงพบ ตู้คอนเทนเนอร์สารเคมียระเบิดมีกลุ่มควันลอยสูงในอากาศและมีสารเคมีกระจายโดยรอบบริเวณลักษณะเป็นตะกอนหรือว่าเกล็ดสีขาวๆนะคะภายหลังก็ได้เกิดไฟไหม้บนเรือดังกล่าวจากกลารตรวจสอบแล้วพบว่าสารที่เกิดเพลิงไหม้นั้นคือสารแคลเซียมไฮโปคารายค่ะโรวงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณสีราชาสภากาชาติไทยก็ได้จัดทีมกู้ชีพ M, เอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอ มีผู้ป่วยถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลนะคะโดยรถมูลนิธิต่างๆมากขึ้นโรงพยาบาลสมเด็จพระวมรมหาชเชษฐ์วีนัสีราชาจึงได้ประกาศแผนปฏิบัติการโคดออเรนจ์โดยมีบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติตามแผนอุบัติภัยหมู่ประมาณห้าสิบคนค่ะประกอบไปด้ไวแยวิพาธพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลนักเทคนิคการแพทย์เภสัชกรเจ้าหน้าที่เวรระเบียนเวรแปล เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอาสาสมัครกู้ชีพในพื้นที่ค่ะ ซึ่งกระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าผู้ประสบภัยมีขั้นตอนดังนี้นะคะหนึ่งค่ะคัดแยกระดับความรำระดับความรุนแรงโดยใช้พยาบาลคัดกรองค่ะสองชำระล้างสารพิษบริเวณที่สัมผัสสารเคมีด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากค่ะตั้งแต่ศรีรษะจุดปลายเท้าโดยจะทีมประกอบด้วยพยาบาลพนักงานฉุกเฉินการแพทย์อาสาสมัครกู้ชีพค่ะ สามการตรวจสอบความเป็นกรดด่างตามผิวหนังของผู้ป่วยเพื่อดูสภาพของผิวหนังค่ะสี่ทำการรักษาตามอาการได้แก่ตรวจระบบจักษุโดยจักษุแพทย์ตรวจสัญญาณชีพสำคัญตามระบบตรวจระบบทางเดิอนหายใจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนตรวจเอ็กซเรย์รังสีของซองอกและสังเกตอากาศที่ห้องฉุกเฉินต่อเนื่องอย่างน้อยสองชั่วโมงและประเมินซ้ำว่าผู้ป่วยปลอดภัยสามารถกลับบ้านได้ 5ค่ะกับเก็บน้ำจากการชำลาหลังสารเคมีไว้ในพัชนะขนาดใหญ่เพื่อรอการตรวจสอบสภาพน้ำและสิ่งป่นเปือน้นและรอทำการบำบัดในภายหลังค่ะและ6ประสารงานกับเทียมพยาบาลนักจุดเกิดเหตุเพื่อประเมือนสถานการณ์เพื่อประกอบการยกเริ่มแผนอุบฏิภัยหมู่ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงหลีกเลี่ยงการสัมผัสและสูดดมซึ่งหากถูกสารเคมีหรือละอองจะทำให้เกิดอาการแสบคันตามร่างกายค่ะโดยได้ประกาศพื้นที่สีแดงเพื่อความปลอดภัยในเหตุการณ์นี้นะคะมีผู้ป่วยเข้ารับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชาเทวีนัศีราชาทั้งสิ้นจำนวน57รายค่ะ โดยมีอาการทางผิวหนังระบบทางเดิอนหายใจระคายเคืองตาแต่ว่าไม่มีผู้ประสบอุบัติภัยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะจากเหตุนการณ์ในครั้งนี้นะคะทำให้ทราบว่าทางโรงพยาบาลอยัางต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะที่สำคัญเลยก็คือชุดล้างสารพิษเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ซึ่งปัจจุบันนะคะมีเพียง6ชุดเท่านั้นค่ะในกรณีที่สารพิษรุนแรงไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกค่ะ ช่วงหน้านะคะความรู้คู่สุขภาพยังมีข้อมูลดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่พักสักครู่เดียวค่ะรายการเรสคอร์ดออนเรดิโอสนับสนุนรายการโดยสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวันตกรรม たまにあんぷちゃうてばんちゃんばい。 「十分尘吓般暑假」 ワンショップマイ、ションチュン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 ทำรู้ผู้สุขภาพวันนี้มีวิธีโดยแลรักษาอาวยาวัตรที่สำคัญแผนไหนร่างกายของเรามาฝากกันค่ะ เริ่มกันที่อวัยวะที่สำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือหัวใจค่ะวิธีการดูแลรักษาหัวใจให้แข็งแรงก็คือการทานอาหารที่ดีมีคุณค่าอย่างพอเหมาะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันมากนะคะเพราะว่าจะทำให้มีการสะสมไขมันที่ผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดตีบเลือดหมุนเวียนไม่สะดวกหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้แจ่มใสและไม่เครียดค่ะ การสูบบุหรี่นะคะนอกจากมีผลต่อหัวใจของเราแล้วนะคะที่สำคัญเลยคือปอดค่ะสำหรับการดูแลรักษาปอดให้แข็งแรงคือการไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงสถานที่มีฝุ่นละอองสวมเสื้อผ้าให้หนาเพื่อให้ความอบอุ่นต่อร่างกายเวลานอนก็ควรห่มผ้าปิดหน้าอกให้มิดชิดและผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะ แบนซูปุรีหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลนั้นจากจะมีผลต่อปอดยังมีผลต่อตับอีกด้วยนะคะหากอย่างให้ตับของเราแข็งแรงไม่ควรทานยาพร่ำเรือ้อเพราะว่าสตารณ์เคมีจากสิงต่างๆเหล่านี้นะคะจะทำหลายตับได้รวมถึงไม่สุดดมและออกสเปรยต่างๆค่ะ สวมถุงมือเสื้อแขนยาวสวมหมวกแล้วก็หน้ากากทุกครั้งที่พ่นหรือว่าผสมยาฆ่ามแมลงกำจัดศัตรูพืชการมีคู่นอนหลายคนนะคะก็เป็นผลเสียต่อตับได้ทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบได้ค่ะเลี้ยงการทานอาหารสุกๆดิบๆควรทานอาหารที่สะอาดและน้ำต้มสุกมีภาชนะปิดมิดชิดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและเอากำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะ ยังมีอีกหนึ่งอวัยวะสำคัญนะคะนั่นก็คือไตค่ะคนไทยป่วยเป็นโรคไตยจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะหากใครที่ยังไม่ป่วยควรดูแลรักษาไตยให้แข็งแรงด้วยการดื่มน้ำมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้ระดับของสารก่อนิ่วในปัสสาวะสูงเกินไปหรือถ้าเป็นก้อนเล็กๆก็จะหลุดออกมาได้เองจากการดื่มน้ำค่ะ หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดนิ้วอย่างผักบางชนิดนะคะอย่างเช่นกะหล่ำบ็อกโคลี่ดอกไม้ฝรั่งมะเขือเทศถั่วแดงถั่วเหลืองเมล์เขือ่อแครอทผักโขมผักเหล่านี้ค่ะมีสารออกซาเลสสูงหากทานมากเกินไปจะไปตกทางส่วนการนิ้วค่ะ หรือว่าการทานโปรตีนในปริมาณมากเกินไปจะก่อให้เกิดการสร้างตัวของกรดยูริกและไปสะสมในกระเพาะปัสสวาวะจับตัวไก่ายเป็นก้อนแข็งในชะดาดำค่ะก็มีสารออกซาเรส จ, จำนวนมากรวมถึงถึงน้ำตาลฟูกโกตในน้ำอัดโลมอีกด้วยค่ะ และไม่ทานอาหารรสเค็มนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดน้ำข้างความดันโลงหิตสูงทำให้ไตทำงานหนักถ้าเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วก็ต้องควบคุมไม่ให้น้ำตาลในเลือดสูงไม่กลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานและก็ระวังอย่าให้ท้องผูกดูแลทำความสะอาดหลังการปัสสาวะและอุจจาระทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดิอนปัสสาวะเพื่อป้องกันไม่ให้ไตอักเสบตามมาค่ะ วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลอวัยวักษ์ของเราให้ดีนะคะเราสองคนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ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 facebook.com slash digitalprinting rmutt ตั้งแต่บัดนี้ถึงสองกรกฎาคม2562สอบถามเพิ่มเติม 02-549-4531 และที่ 087-518-1624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 หรือติดชมรายการได้ที่ facebook.com slash RMUTT Radio หรือทางลาย Official at RMUTT Radio